บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้ลกล่าวมาถึงเรื่องของขันธปภะคือหมวดท่วาโดยขันธทั้งห้าประการได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณซึ่งทรงสอนในรูปของปริยาตประธรรม หให้บุคคลตั้งสติระลึกรู้กำหนดยอมรับความจริงของสิ่งเราดันในช่วงที่ขันทั้งห้าปรากฏเหตุปัจจัยให้เกิดแห่งขันทั้งห้าเราดันและความดับไปของขันทั้งหประการ น, นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดยพื้นฐานความคิดลึกๆที่มีอยู่ภายในใจคนนั้น ประกอบด้วยความคิดที่เราเรียกว่าเป็นสัจตทิจิคือมองเห็นความเที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งทั้งหลายแล้วเกิดมีความสำคัญบ้านหมายในขันทั้งหลายว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผัน วันเมื่อได้มาศึกษาถึงอาการของสิ่งเหล่านั้นที่ปรากฏในขณะนั้นเหตุปัจจัยที่ให้เกิดของขันห้าแต่ละข้อซึ่งเป็นการแสดงเห็นถึงความจริงว่าเอาก็จริงแล้วขันห้าแต่ละข้อก็เกิดขึ้นโดยลําพังไม่ได้จะต้องมีเหตุปัจจัยเข้ามาประกอบส่งเสริมสนับสนุนขันทั้งห้าเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้ แล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะไหลก็สู่กระแสของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่คงที่มาถึงจุดหนึ่งเพราะความแยกสลายแห่งเหตุปัจจัยที่ให้เกาะกุ่มกันคันท้าห้านั้นก็สลายไปมีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่อยู่ในลักษณะแางนี้หน้าที่นักศึกษาก็คือว่า แม้ความจริงจะปรากฏได้เห็นกันอยู่ทนโทษอย่างนี้เราเกี่ยวข้องกับคนแก่คนเจ็บคนตายเกี่ยวข้องการพักรากสูญเสียการแตกทําลายของสิ่ ง, งต่างๆของคนงต่างๆอยู่สม่ําเสมอเรียกว่าในชีวิตประจําวันก็จะต้องรู้เรื่องราวเหล่านี้แต่ทําไมจิตจึงไม่โน้มน้อมความรู้เหล่านั้นเข้ามาหาตัว อย่ามองเห็นความจริงว่าแม้เราเองก็จะเป็นอย่างนั้นเพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครจะร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้การที่ความคิดฝืนกติธรรมดามีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลในลักษณะนี้ แ, แสดงว่าเพราะาจิตใจที่ถูกปรุงด้วยสัจสตจิติคือความเห็นว่าเที่ยงนั้น ทำให้เกิดกาหนดหมายอารมณ์ในลักษณะที่วิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่แท้จริงและในการกำหนดอารมณ์คือขันทั้ง5นั้นบางครั้งก็อาศัยการทรงจำคือการบอกกล่าวของบุคคลอื่นหรือจะแหลงการรับรู้จากบุคคลทั้งหลายแล้วก็เกิดสัมผัสมัดหมายว่ามันเป็นอย่างนั้น พระเครืมีการเก็บการสะสมข้อมูลในเรื่องนี้ไว้มากจนมีความคิดที่วิปลาสคลัดเคลื่อนไปจากความจริงเท่านั้นจะแก้ไขเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ยากเกิดมากยิงขึ้นจะต้องมีตัวอย่างนิทานบุคคลเรื่องราวเข้ามาประกอบในการเรียนการสอนที่สําคัญจริงๆก็คือท่านผู้นั้นจะต้อง พิจารณาเห็นด้วยปัญญาอันชอบด้วยลำพังตัวเองจึงจะสามารถถ่ายถอนความรู้สึกที่คลัดเคลื่อนจากความเป็นจริงเหล่านั้นออกไปแต่บางครั้งบางทีก็กลายเป็นทิตจิที่มีความรุนแรงไม่ยอมจางไปไม่ยอมคลายไปแม้จะมีการโต้แยง้งมีการให้สติตักเตือนจากผู้คนอื่น ท่านเหล่านี้ก็จะปักใจฝังใจอยู่ในลักษณะนั้นนั้นปัญหาข้อนี้เราจะพบว่าในประวัติชีวิตของพระพุทธเจ้าในขณะที่ยังทรงประชนอยู่จะต้องพยายามให้ความจริงแก่ของเรื่องเหล่านี้ปรากฏแก่ปัญญาจากสุขของบุคคลทั้งหลายเช่นว่าท่านสัจจานิครณ มีความปรักใจขวังใจว่าชีวิตนี้ก็คือตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรมั่นคงไม่แปรผันแต่ความคิดเหล่านี้เองบางครั้งก็จะย่อยออกไปเป็นรายละเอียดเป็นนันมากที่ท่านเรียกว่าสักกายติสิยีบประการเช่นถือว่าตนเป็นรูปหรือว่ารูปเป็นตนหรือว่าตนมีในรูปรูปมีในตนเป็นตน สัจจะนิครนท่านคิดของท่านอย่างนั้นท่านเข้าใจของท่านอย่างนั้นท่านก็มองเฉพาะในมุมที่เห็นว่าเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนจนกลายเป็นคณาจารย์ที่มีคนชื่อถือความคิดของท่านมากประกาศท้าทายที่จะโต้อตอบหักล้างวาทะกับพระพุทธเจา้าเพราถือว่าพระพุทธเจา้าท่านสอนผิดจากความจริงที่ท่านรับรู้มา สันตจานิครนั้นหลงตัวเองจนขนาดเข้าใจว่าความรู้ของท่านนั้นมากเหลืเกินกลัวความรู้จะล้นออกกว่าข้างนอกเลยต้องทําเป็นแผ่นเหล็กรัดทองเอาไว้เพื่อไม่ให้ความรู้มันทะลักออกมาซึ่งแสดงเห็นว่าการกระทําของท่านนั้นก็ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของท่านแต่ประการใดแต่เป็นาการความโง่เขลาเบาความคิด ในการใช้เหตุผลในการพิจารณาสิ่งต่างๆแต่ตเด่นๆในสุดท่านก็ชวนคนมาเฝ้าพระพุทธเจ้าคุยอวดโม้วไว้ด้วยประการต่างๆที่จะจัด ก, การกับพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาพบแต่ว่พบแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแสดงธรรม แต่ทรงใช้วิธีถามให้ท่านสัจจะนิครทงคิดเพราะถ้าหากว่าชีวิตเป็นตัวเป็นตนอย่างที่เข้าใจหรือการด่าห้าเ ป, เป็นตัวเป็นตนอย่างที่เข้าใจาแสดงว่าเราต้องการให้การ่าห้านั้นเป็นอย่างไรก็จะเป็นไปได้ตามที่เราต้องการเราสามารถบังคับผมไม่แม่งอกฟันไม่หะหนังไม่เขียวสายตาก็ให้ดีอยู่ตลอดไปเป็นต้น คงจะบังคับได้แต่มันเป็นอนัตตาตัวตนจริงๆแต่เพราะมันเป็นอนัตตาไม่มีใครสามารถบังคับบัญชามันได้สิ่งเราดังสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปตามเหตุปัจจัยขอ ง, ของทั้งช่วงของการเกิดช่วงการดารงอยู่และช่วงการแตกทาลายไม่มีใครสามารถควบคุม บงังคับบัญชาให้เปลี่ยนไปได้ตามที่ตนต้องการไปทุกกรณีคือบางกรณีก็พอทาได้ในดับหนึ่งแต่จะทาทุกกรณีนั้นไม่ได้เพราะบุบคคลจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจาวันของเรามีเป็นอันมากที่เราแก้ปัญหาต่างๆได้แต่ก็มีมากกว่ามากที่เราแก้ไม่ได้เพราะอยู่นอกวิสัยอยู่นอกอานาจ ไม่มีเงื่อไขปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนมากพอที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านั่นเราก็แก้ไม่ได้เพราะเมื่อมารับสั่งกษัตริยานิครินทรงชายประเด็นนี้คือประเด็นที่ไม่อยู่ในอำนาจบังคับปัญชาของใครรับสั่งถามให้คิดไปเรื่อยๆจากปลายผมถึงปลายเล็บ ว่าถ้าเป็นตัวเป็นต้นของเราจริงแล้วเราบังคับผมไม่งอกได้ไม้นังไม่เหี่ยวได้ไม้ตาไม่พร่ามัวได้ไหมฟันไม้หักได้ไหมก็ถามมาเรื่อ ย, อยซึ่งสัจจะนิครุนท่านไม่ได้มองในประเด็นนี้แตนมองจากพื้นฐานความเชื่อพื้นฐานของกิเลส ท, ที่มีสะสมอยู่ภายในใจตนลักษณะเหล่านี้ที่ปรากฏออกมาเป็นรูปของตัณหาสองประการ ประสาชนจะสังเกตได้ว่าถ้าของที่เรารู้ตามความจริงรของเรานั้นก็จะเสื่อมสลายไปเราก็ไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นใกล้ๆกับใครทำน้ำแข็งก้อนเหยาะด้วยน้ำหวานแล้วก็ฝากมาให้เรานำไปให้ใครในที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ได้ใส่กร ะ, ะติกน้ำร้อนอะไร กติกน้ำแข็งไปเรารู้ตามความเป็นจริงว่าน้ำแข็งเหล่านั้นถ้าเดินขิ้วไปอย่างนั้นมันก็ไปไม่ถึงเราก็ไม่รับอะไรเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยตัดสินการรับหรือไม่รับปัญญาที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลนั้นเองเป็นตัวตัดสินวินิจฉัยสิ่งเหล่านั้นว่ารับไปก็ร้ายประโยชน์เราะจะหิ้วไปไม่ถึงบ้านเขามันก็ละลายไปหมด นี้แสดงว่าเห็นสิ่งที่ปรากฏเห็นความเสื่อมปรากฏเห็นความดับปรากฏต่อกันไปและระยะมันก็ไม่ยาวด้วยปัญญาในลนักษณะนี้ที่จริงก็มีอยู่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆเป็นนั้นมากทำให้ตัดกระแสะอารมณ์หรือความอยากที่บังเกิดขึ้นในสิ่งเหล่านั้นออกไปได้แต่ก็มีมากเหลือเกินที่ปัญญาไม่สามารถส่องเข้าถึงในเรื่องนั้น เพราะในเรื่องความเป็นอนัตตาหรือเป็นอัตตาเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนก็เพราะว่ามันเกาะกลุ่มกันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นส่วนแต่ร่างกายเราเมื่อแยกออกไปแล้วมันไม่มีอะไรแยกเป็นชิตนใหญ่ก็แยกเป็นธาตุสิ่รองลงมาก็แยกเป็นอาการสาสบสองยองลงมาก็แรกแยกแยกออกไปเป็นอนุเป็นปรมณู จนในที่สุดมันก็สักแต่ว่าเป็นอนุเล็กๆเป็นปรกมนูที่มองด้วยตาไม่เห็นมาเกาะกลุมกันเข้าเป็นจํานวนเป็นแสนเป็นล้านเป็นกฏก็กลายเป็นชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายขึน้นเอาในแง่ของความเป็นจริงที่แท้จริงสิ่งเหล่านั้นตลอดถึงเข้าของเหล่านั้นหรือแม้บุคคลเหล่านั้น ก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราเราไม่สามารถที่จะให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้ทุกระดีไม่ต้องกล่าวขนาดนั้นแม้ระดับที่ยากกว่านั้นเี่เราซึ่งจะต้องแก่เป็นธรรมดาเราขอร้องอยาให้แก่มีเจ็บไข้เป็นธรรมดาขอร้องอยาให้เจ็บมีความตายเป็นธรรมดาขอร้องอยาให้ตาย หรือขอร้องให้ทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแก่เราญาติพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราในทางที่ชอบแล้วก็เราตายไปแล้วบังเกิดในสวรรค์อย่างไ ง, ไงที่ยริงยังเกาะกลุ่มกันอยู่แต่แม้อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เพราะอะไรเพราะความแก่ความเจ็บความตายเป็นสภาวะธรรมทิฏฐิติดชีวิตมาทุกๆชีวิต และพร้อมที่รับปัจจัยหนุนจากข้างนอกสร้างความทรุดคนสร้างความเจ็บปวดความทุกข์ทรมารให้เกิดขึ้นแก่บุคคลแต่นั้นเมื่อเราแยกย่อยออกไป <c oughs> ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นเราไม่สามารถบังคับปัญจาให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ความแก่ความเจ็บความตายและการ เ, เกิดในสวรรค์นั้นที่จริงเป็นเรื่องของเราแท้ ระยะบังคับไม่ได้เลยนับภาษาอะไรจะไปบังคับคนอื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นให้เป็นไปาตามที่เราต้องการประการที่สองนั้นตรงกันข้ามกับความคิดที่เป็นอัตตาคือความคิดที่เป็นตัวตนเรื่ออัตตาที่เป็นตัวตนเที่ยงแท้ไม่แปรผันยั่งยืนนั้นเป็นความเชื่อในแนวเทวติยมมีอยู่ในศาสนาพระเจ้าองค์เดียวทั้งหลายเนี่ย โดยท่านเข้าใจว่าพระเจ้าองค์เดียวหรือว่าสิ่งสูงสุดนั้นแหละเป็นของเชี่ยงแท้ไม่แปรผันเป็นที่มาของสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้รังสรริ์โลกเป็นผู้วิบาลโลกจะอยู่คู่โลกแม้โลกจะเสื่อมสลายไปแต่ท่านเหล่านั้นก็จะไม่สลายซึ่งเห็นว่าเป็นความคิดที่ฝืนกติธรรมดา นึ่เมื่อสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารสังขารก็ต้องเกิดขึ้นน้องตั้งอยู่ต้งดับไปแต่ท่านปักใจของท่านอย่างนั้นท่านเข้าใจว่าสิ่งนั้นเที่ยงแท้แน่อนอนตรงนี้แหละเป็นแรงผลักดันให้เกิดการมาตัิหาคภวะตัณหาเพราะเราจะมองคนอื่นถาวรไปด้วยมองสิ่งอื่นถาวรไปด้วยมองตัวเราถาวรไปด้วยเพราะถือว่าตัวเองนั้นเป็นฉายาของสิ่งสูงสุดเหล่านั้น ความโลภการขวัญความปรารถนาที่จะได้จะมีจะเป็นจะเข้าครอบครองก็เกิดขึ้นไปในใจของบุคคลอย่างต่อเนื่องดังนั้นท่านยังสอนให้มองเห็นว่าในแง่ของความจริงที่แท้จริงแล้วขันทั้งห้านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของเราแล้วไม่ใช่เป็นตัวตนที่เที่ยงแท้แน่นอน การจะพิสูจน์ทดสอบไปเที่ยงแท้แน่นอนหรือไม่ก็ต้องกลับไปดูที่กายที่รูปที่เวทนาที่สัญญาที่ทังขานที่วิญญาณแล้วไม่จาเป็นจะต้องดูที่คนอื่นดูที่เราเองกายนั้นอาจจะมีการปรุงแต่งประดับประดาอาบน้ำขัดสีชวีวันปรับโคลด้วยของหอมอะไรต่างๆเอาไว้บางทีก็ดูไม่ไปเห็นมันก็ดูที่เวทนาดูที่ สัญญาดูที่สังขารดูที่วิญญาณนะจะเห็นได้อย่างชัดเจนเธอจะมุกพระาะว่าเวทานาก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีนั้นก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับทีกระชั้นมากเอานิยายอะไรไม่ได้เลยบาีสุขเวทานาปรากฏจะได้หน่อยหนึ่งก็จางไปแล้วคลายไปแล้วบันเท่าไปแล้วก็กลายเป็นทุกขเวทานาหรือทุกเวทานาปรากฏหน่อยเดียวก็กลายเป็นกลางไปแล้วก็กลายเป็นสุข ชีวิตเราก็หมุนวนอยู่กับเวทนาสามประเภทสุขบัางทุกบังไม่ทุกไม่สุขบัางแล้ยังมีรายละเอีดอยดต่างอีกเป็นอันมากแต่ที่เรามองได้ชัดๆจริงๆก็คือสามประเภทเรียกว่าสุขเวทนาเวทนาที่เรารับรู้วเป็นความสุขทุกเวทนาเวทนาที่เรารับรู้เป็นความทุก อุทกกรมสุกเวทนาเป็นเวทนาที่เรารับรู้ว่ามันเป็นอนทุกขมสุขคือไม่จะถึงกระทุกขแล้วก็ไม่จะถึงกัสุขเพราะจึงไม่มีสภาวะอันใดที่เป็นตัวตนเที่ยงแท้ยย่งยืดไม่แปรผันขันธ์หา้นั้นตรงกันข้ามกับสิ่งเหล่านั้นหมายความว่าอะไรที่สิ่งเหล่านั้นมีเนี่ยขันธ์ห้ามไม่มีสิ่งที่ขันธ์ห้า ม, มีสิ่งนั้นก็ไม่มี แต่นั้นเพื่อจะให้เกิดความเข้าใจท่านก็ให้มามองดูแลอาจจะมองดูเป็นตวัวอุโมาเทียบเคียงตามพื้นฐานของคนเรานั้นมองโทษเองโทษตนเองไม่ค่อยเห็นแต่จะไปเท่ก็โทษคนดื่นได้อย่างชัดเจนเพราะงั้นการมองบางครั้งก็ส่งสอนให้มองจากข้างนอกเช่นมองรูปที่เกิดขึ้นว่าเหมือนก็ฟองน้าฟองน้ำเวลากระทบกัน การไหลของน้ําด้วยการตกมาของฝนก็ต่างเมื่อเหตุปัจจัยมากระทบมันก็กลายเป็นฟองน้ําขึ้นมาฟองน้ํานั้นจะดํารงอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แตกไปมีปัจจัยเกิดแก่ก็เกิดเนแก่อีกแต่ในสุดก็ต้องดับไปอีกพราะกระแสน้ําในจุดหนึ่งที่ก่ไหลผ่านแม่น้ําลำคลองไปในที่ต่างๆนั้นก็เกิดฟองไม่รู้จะเท่าไหร่ แต่แกก็ดับไปเท่าที่แกเกิดเกิดไปกี่ครั้งก็ดับไปเท่านั้นครั้นี่เป็นการมองให้เห็นในรูปของอุปมาเทียบเคียงแล้วก็ดึงกลับมาตัวเองเราแม่เราเองก็ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายพอเกิดมาแล้วเนี่ยความตายความเจ็บเราไม่รู้จะเกิดเมื่อไรการพลาดพลากเนี่ยเราไม่รู้จะเกิดเมื่อไร ความตายก็ไม่รู้จะเกิดเมื่อไหรแต่เทศแน่นอนที่สุดก็คือว่าแก่แน่เจ็บแน่พลาดพลาดแน่แล้วก็ตายแน่เราก็รู้กว้างๆอย่างนั้นเองแต่ว่าไม่กําหนดตายตัวลงไปว่าจะตายเมื่อไหร่จะแก่เมื่อไหรจะเจ็บเมื่อไหร่จะพลาดพราดสูญเสียเมื่อไหร่เพราะแนวคําสอนจึงเป็นการสอนให้จิตรับรู้ความจริงเอาไว้ พร้อมที่จะเผชิญหน้าความจริงทั้งด้านบวกและด้านลบต้านบวกเช่นแก่เจ็บตายกา ร, รพรากนี่ใครก็ไม่ชอบแต่มันเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดใครก็ไปห้ามปราบอะไรก็ไม่ได้มันก็เกิดมาแล้วทํำยังไงจะรู้ตามความเป็นจริงได้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้โดยสภาวะเขาแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา เพราะเวลาเกิดเราก็ตั้งหลักได้ไม่ดีใจไม่เพลิดเพลินไม่กำหนัดไม่เริงหลงอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปเพราะยังไงยังไงจะดีหรือไม่ดีเนี่ยถึงวันพรากไปในกรณีที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจอะไรนักหนาก็ผ่านไประยะเวลาหนึ่งจิตจะไปคว้าไปยึดมั่นถรือมั่นไวมากมันก็เสื่อมไปเองประการต่อไปก็คือ เมื่อเราย่อยออกไปเนี่ยขันหนาห้งที่ทรงอุ ป, ปมานั้นคือขันแรกในรู ป, ปรขันนั่นอุ ป, ปมาเมื่อฟองน้ําเวทนาขันอุ ป, ปมาเมื่อกะต่อมน้ําซึ่งแตกดับเร็วกว่าฟองน้ําส่วนสัญญานั้นเปรียบเหมือนพยับแดดคือมองแล้วคล้ายๆจะจริงแต่มันไม่จริงสังขาร น, นั้นเหมือนมองเหมือนกอกกล้วยกอกกล้วยที่เรามามาแล้วก็ปอก ก, อากากออกไปเรื่อยๆ ในสุดมันหาความเป็นกอกกล้วยไม่ได้เพราะสังขาร ท, ทั้งที่เป็นเจตสิกธรรมซึ่งเกิดขึ้นภายในใจสังขารที่เป็นรูปธรรมที่ได้หรือเกที่ไม่ได้ก็ตามก็ตกอยู่ในสภาพแบบนี้คือเมื่อย่อยออกไปแล้วนั้นจะหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เพราะในแนวการมองโดยการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาพระเจ้ากวดสอนให้มองทั้งสองแนว มองกระบวนการของการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเช่ <IS> นวันนี <telef> ้คือรูปนี่คือความเกิดขึ้นของรูปนี่คือความดับแห่งรูปนี่คือเวทนานี้ความดับเวทนานี่นี่การเกิดขึ้นของเวทนานี้ความดับของเวทนาแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็ส่งสอนให้มองเช่นเดียวกันเพาทั้งหมดนั้นเกี่ยวขึเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องอยู่กับเหตุปัจจัยที่ให้กเกิดมา แต่ว่าสอนให้มองวิญญาณเหมือนกับภาพมายามายากรมายาการที่มีการแสดงไม่ไม่มีอะไรจริงสักอย่าง น, นจนถึงพวกเล่นคนเองก็บอกาคนคนคือของโกหกแต่คนก็ไปสัมคัญบ้านหมายเป็นความจริงที่น่าสนุกสนานมีความราวใจเพราะนั้นก็ มีคนแสดงให้ได้เห็นได้ยินกันอยู่ทุกส่วนของโลกแล้วก็ทุกยุคทุกสมัยพระรพระใจไปปรุงมาเป็นเรื่องจริง เ, เรื่องน่าทึ่งน่าจงโหนน่าอัศจรรย์คนง่อยความสนใจในเรื่องเหแ่านั้นแต่แท้จริงแล้วมันเป็นเพียงมายาเหมือนการรู้รู้รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ยนินร้อนรอนแข็งของคนนั้นเป็นเพียงมายา ถ้าแกดำรงอยู่ได้จริงๆแกเที่ยงแท้จริงๆนั้นความจำของแต่ละคนนั้นมห า, มหาศาลจรางๆแต่วจริงปรากฏมันไม่เหลือเท่าไหร่มันเป็นเพียงมายาการนย่งหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากมายากฎด้านนั้นเองแต่บางครั้งก็ส่งอุปมาโดยในยะอื่นเพื่อเห็นว่ากลายเป็นของที่น่ากลัว แยกย่อยออกไปอีกชั้นหนึ่งท่านแยกไปเรื่อยๆคิดแยกไปเรื่อยๆ เ, เขาเรียกว่าเป็นปัญญาประเภทจำแนกแยกแยะนิบเบติกาปัญญาคือแยกย่อยเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่เราพบในชีวิตประจําวันของเรานั้นมันจะมีสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มที่รวมตัวกันอยู่แล้วกับกลุ่มที่แยกสลายอยู่เรามองให้เป็ น, น, นหนึ่งกันเดียวกัน พอกลุ่มแยกสลายนั้นเมื่อไปเหตุปัจจัยให้แก่รวมกันแก่ก็รวมได้กลุ่มที่เกาะกลุ่มกันอยู่เป็นชิ้นเป็นนันเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นต้นไม้เป็นเรือนเป็นรถก็อาศัยการประกอบกันของทรพปะสัมภาระทั้งหลายแล้วก็กลายเป็นสิ่งนั้นในขณะเดียวกันสิ่งเหนั้นก็แยกย่อยไปได้และ จ, จุดเล็กที่เราแยกย่อยออกไปเครื่องยนต์กลไกต่างๆนั้นที่จริงสามารถแยกได้อีก แยกจนกลายเป็นอนุเป็นปรมาณูดังกล่าวจะทำให้คนเกิดความเข้าใจถึงความจริงที่เคยยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ซึ่งลักษณะของความยึดมั่นนั้นบางครั้งก็ไปว้าอดีตที่ไกลก็เกิดเอามาวิตกกังวลเดือดร้อนเท่าตรมหมดไหมหรือระการต่าง บางครั้งก็ลักษณะของการข่อยคว้าปรารถนาผลต่างๆที่ตนต้องการซึ่งจะได้จะมีจะเป็นในอนาคตบางเดียกกำนัดเพลิดเพลินรื่นเริงละลงลงเริงหล ง, ล ง, ล ง, ล ง, ลงอยู่ในวัตถุกรมทั้งหลายที่ปรากฏในขณะนั้นๆเพื น, นถ้ามองถึงความจริงโดยในยะนี้ได้จิตใจก็จะจางจะคลายความกำหนัดความยึดติดด้วยหน้าตัณหามานัา่นจิ วความยึดติดว่าเป็นของเราความยึดติดว่าเป็นเราวความยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปคนนี้ก็เป็นเช่นเดียวกับที่พระพุเจ้าได้ทรงแสดงแก่ท่านปัญจวคีมีใจความโดยสรุปว่ากณะห้านั้นเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเป่นตนถ้ากณะหาเป็นตัวเป็นตนแล้วสัตว์ก็จะตั้งความหวัง ให้คณนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยอะไรไม่ชอบเราก็ตั้งความปรารถนาอย่าให้เกิดอะไรชอบเราก็ตั้งความปรารถนาให้เกิดก็อยู่โดยการตั้งความปรารถนาเอาแล้วก็สัตว์ก็จ้องได้ในคันหน้าตามใจหวังเพราะว่าเป็นของก็เขาแต่ว่าเพราะคันหน้ามันเป็นอนัตตาคันหน้าจึงเป็นไปตามธรรมชาติของมันมีการเจ็บไายได้ปวมีความตกตะวานมันเกิดขึ้น วันสัตว์จึงไม่อาจจะตั้งความหวังว่าขอคาหน้าเขาเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอคาหน้าเขาเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยเราตั้งความปรารถนาไม่ได้เพราะคนละเหตุคนละปัจจัยกันคาหน้าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยปัจจัยของเขาเราเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเหตุปัจจัยของเราเย่างแต่ว่าต้องมีส่วนเกี่ยวข้องดูแลจะใส่กันและกันแต่นั้นเองที่จริงเราก็ดูแลเขาเขาไม่ได้สนใจในเราอะไร ในช่วงที่สองจึงทรงสอนอิคิดเป็นใะความโดยสรุปว่าดูก่อนพิกพุทธสูทางหลายเธอจะคิดเรื่องนี้เป็นอย่างไรขานะานั้นเชี่ยงหรือไม่เชี่ยงพระสุ ป, ปัจวาคีก็กราบทูลว่าไม่เที่ยงหรวพุทธเจ้าข้าแล้วสั่งถามว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วก็ตอบว่าเป็นทุกข์พระเจ้า้า แล้วทรงสรุปในตอนสุดท้ายว่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดานั้นเป็นการสมควรไหมที่เธอจะไปยึดถือว่านั่นของเราดั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นเราหรือนั่นเป็นตัวเป็นตนของเราถ้าปัจจุบัก็กราบถูกว่าไม่เป็นการสมควรเลยแต่เพราะจิตแสายไปในอารมณ์ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบัน เราอจะไม่ชอบในปัจจุบันแต่ใจกลับกระสันอยากที่ให้อดีตนั้นย้อนคืนมาวนคืนมาตัวใจก็ไปไขวยคว้าอนาคตต้องการได้ต้องการมีคารเป็นในอนาคตคือสรุปว่ายังมองอดีตกับมอนาคตเป็นของตัวเป็นขอ ง, ทงแท้แน่ น, นอนที่ตนจะตั้งความปรารถนาเอาไว้ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับสั่งแสดงในลักษณะรวบยอดไปได้ เพาดูก่อนพิสูจน์พระเหตุนั้นแลพิสูจทั้งหลายขณะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีคือผ่านมาแล้วก็ดีอนาคตเกิดยังไม่มาถึงก็ดีปัจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็ดีขณะนั้นเลวก็ตามประหนี่ก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามอยู่ใกลก็ตามอยู่ใกลก็ตามขณะนั้นมันก็สักแต่วาา่าขั้นถา ไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นทั้งตัวตนของเราในแง่ของความเป็นจริงดีแทจริงพอให้ภิกษุเหล่านั้นเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้พึงสังเกตว่าพระเจ้าสอนเฉพาะเรื่องอนัตตาแต่นั้นเองแต่พอเห็นอนัตตาสักข้อหนึ่งมันก็เห็นอนิจนจังทุกขังอนิจจังทุกขังที่รับสั่งแสดงนั้น รับสั่งสอบถามนั้นไม่เคยได้สอนแด่ท่านปัญจพกีท่านตอบได้เพราะไรเพราะอาการของสจรักจะมีการปรากฏเกี่ยวเนื่องถึงกันสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็เป็นหน้าตาแต่ว่าสิ่งใดเป็นหน้าตานั้นไม่จําเป็นจะต้องไม่เที่ยงเป็นทุกเสมอไปเพราะไรเพราะมีวิสังขารที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอันนิดจังไม่เป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าเป็นอนัตตา เป็นสภาวะที่ว่างจากตนและจากภาเป็นของตนเป็นจิตที่หลุดรอดจากอํานาจของกิเลสและของทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าเหล่านี้จึงไม่มีความยินดียินร้ายยามประสบ อ, อารมณ์ทั้งหลายผู้จะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างเหล่านี้ถ้าหากว่าผู้ศึกษาได้พิจารณาไป ว่าขันต่างหาที่เป็นอดีตก็ดีนางก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเร็วก็ดีปรนี้ก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีมันก็สับแต่ว่าคันหาไม่เป็นทั้งของเราไม่เป็นทั้งเราไม่เป็นเป็นตัวตนของเราเราตอกย้ำว่าข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาชอบตามความจริงอย่างนี้มาความจะเห็นอย่างนี้ได้ปัญญาที่เกิดขึ้นในทางที่ชอบถ้าเป็นมิจฉาปัญญาปัญญาผิดมันก็มองไม่เห็นก็ค้านกันวุ่นอย่างที่ตันสะจะนิคนทั้คขัน ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป